มาจากที่ไหนสครับผมเคยมาอเป่าเคยมาหลายปีตั้งแต่บานจันมาอยู่ใหม่อ่อให ม, ม่ปีปมาแล้วใหม่ ม, มจ ulf จ ulf อแต่ว่าก็่ใอที่ที่บ้านาอเภอมีโ <c oughs> ทรอะไรหรือเปล่ป <c oughs> าไม่มีอ่าเดี๋ยวนี้ต้องมารับแขกแค่นี้ เมื่อก่อนรับแขกที่กุติได้เมีมีมาไม่มากอย่างนี้มาเยอะก็เลยต้องมารับที่นี่พร้อมๆกันอย่างนี้ก็ต้องพูดธรรมะที่ที่นี่เมื่อก่อนก็ตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็พูดธรรมะที่ศาลาหอฉันตอนนี้มีเจ้าอาวาสก็เลยให้เจ้าอาวาสท่าน พูดแทนเราก็เลยมาพูดที่นี่ตอนบ่ายคนที่เคยฟังธรรมะตอนเช้าเดี๋ยนี้ก็เลยต้องขึ้นมาที่นี่ตอนบ่ายเพราะตอนตอนเช้าจะไม่ได้พูดเพราะจะลงศาลาเฉพาะวันวันธรรมดาวันเสาร์ที่วันพระไม่ได้ลง ท่านจาว่าท่านเป็นหัวหน้ามีขครอยากจะถามอะไรไหมธรรมะก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่บอกทางชีวิตเราเป็นเหมือนการเดินทางตอนนี้เราเดินทางแบบไม่มีแผนที่ เราเลยหลงทางเราอยากจะไปบ้านแต่เร า, าหาบ้านเราไม่เจอเราไปติดอยู่แถววงเวียนอนุสาวรีย์วเวียนอยู่แถวนั้นน่วงเวียนของใจของเราก็คือวัฏสงสารสังสารวัฏนี่คือที่เราติดกันอยู่เราติดในสังสารวัฏบ้านเราอยู่ที่นิพพาน แต่เราหาทางไปนิพพานไม่เจอเราเลยต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มีสามภพด้วยกันสังสารวัฏวัตตะสงสารหรือสังสารวัฏนี่มีภพชาติอยู่สามภพการมาภพรูปภพอรูปภพ กามาพบก็ที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกลามอยู่อย่างพวกเรานี่ยังเสพกลามกางคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็กามาพบนี่ก็มีแบ่งเป็นหลายชั้นเป็นเหมือนคอนโดเป็นเหมือนคุกตารางการมาพบนี่แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็เป็นพวกคอนโดพวกโรงแรมแล้วก็ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือพวกคุกตารางนิรสระมคือที่อยู่ของพวกที่เสพกามาพบส่วนที่เป็นสุขมากกว่าทุกข์เราเรียกว่าสุคติคือสวรรค์ชั้นต่างๆ ละวันชั้นเทพชั้นต่างๆและมนุษย์ที่อยู่ของมนุษย์มนุษย์นี้ความจริงเป็นพบที่มีทุกข์กับสุขเท่าๆกันพบของเทวดานี้มีสุขมากกว่าทุกส่วนทุกพบที่มีความทุกข์มากกว่าสุขเรียกว่าอบาย ทุกขติคือภพของเดรัจฉานของเปรตของวิศร้กายของสัว์นรกอันนี้เป็นการมาพบเป็นครบที่ผู้ที่ยังเสพการมต้องเกิดถ้าเสกการมด้วยการทําบาปก็ต้องไปเกิดในอบายเสกรูปเสียสงกลิ่นรสด้วยการทําบาปเช่น อยากจะได้อะไรมากินก็ไปฆ่ามากินเนี่ยฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าอยากเสพรูร้เสียงกินลดมากๆแบบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอก็เป็นเปรตถ้าเสพรูร้เสียงกินลดด้วยความกลัวกลัวจะหมดกลัวจะไม่มีเสพก็ต้องทำบาป เพืที่จะได้มีไวเศษเยอะๆก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าเสพนึกเสียงกินรสผลทพภาด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกนี่คือการเสพการด้วยการทำบาปถ้าเสพการด้วยการไม่ทำบาปก็เป็นมนุษย์ ถ้าไม่ทําบาปแล้วยังทําบุญมีความสงสารมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็ไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าทําบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นบุญ ก็จะไปเกิดเป็นเทวดานี่คือกามาพบส่วนรูปพบก็คือพบของผู้ที่ได้รูปประชานผู้ที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้รูปประชานชั้นหนึ่งก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปภพชั้นที่หนึ่งถ้าได้รูปรูปปานชั้นที่สองก็ได้ไปอยู่สวรรค์รูปภพ ชั้นที่สองละที่สาที่สี่ตามตามรูปฌปานที่มีอยู่สี่ถ้าถ้านั่งสมาธิได้อรูปฌานก็ได้ไปเกิดอีกในอรูปภพได้เป็นอรูปภพก็มีอยู่สี่ขั้น อรุปภพหนึ่งสองสามสี่ตามอารูปรชาหนึ่งสองสามสี่นี่คือที่ติดอยู่ของพวกเราเพราะพวกเราไม่มีแผนที่ที่จะพาให้เรากลับไปบ้านของเราคือไปนิพพานเราก็เลยติดอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดในภพเหล่านี้เพราะภพเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่ถาวร เป็นพบชั่วคราวอันนี้จังเกิดแล้วก็มีดอกขึ้นไปชื่อชั้นอรูปภพพอบุญที่ส่งไปถึงอรูปภพหมดกําลังคือชานหมดกําลังก็ล่วงลงมาจากอรูปภพมาสู่รูปภพพอชานที่ส่งไปรูปภพหมดกําลังก็เลื่อนลงมาสู่เทวภพ มาเป็นเทวดาขั้นต่างๆพอบุญที่ส่งไปเป็นเทวดาหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกที่ทำบาปที่ไปเกิดในนรกพอบาปที่ส่งไปนรกหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนื้ออาจจะไปเป็นเปรตก่อนเนื้ออาจจะไปเป็นเดรัจฉานก่อน ก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์แต่ในที่สุดก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันเมื่อบุญกับบาปที่ส่งให้ไปสวรรค์ไปนรกมันมีกำลังเท่าๆกันบุญก็ไม่สามารถส่งไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถส่งไปนรกไปอบายได้ตอนนั้นก็มาเป็นมนุษย์กันแล้วก็มา เสพการกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะกันอย่างที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวก็ดูหนังเดี๋ยวก็ฟังเพลงเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็กินนั่นนี่นเดี๋ยวก็ดื่มแม่นี่เป็นเรื่องของการเสพการถึงนั้นพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เราทำกันอยู่นี่เป็นเรื่องของการเสพการตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เสพแล้ว เติมตขึ้นมาก็กาแฟถ้วยหนึ่งเลยเดี๋ยวก็เปิดดูทีวีแล้วเปิดเพลงฟังวะเดี๋ยวก็ไปทำงานทำงานเพื่อจะได้ไปหาเงินมาซื้อกามต่อมาเสพกามต่อถ้าไม่มีเงินก็เสพไม่ได้พอเวลานอนก็ไปนอนกับแฟนก็เสพกามอีก นี่คือเรื่องของพวกเราที่หลงทางกันติดอยู่ในภพเหล่านี้เพราะติดอยู่กับการเสรกลางพอเวลาเสษกามแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์แถมมาให้ด้วยเวลาอยากจะเสดกลามแล้วไม่ได้เสดเวลานั้นก็ทุกข์ เช่นอยากจะดื่มกาแฟกาแฟหมดอยากจะสูบบุหรี่บุหรี่หมดอยากจะดื่มสุราสุราหมดอยากจะดูละครไฟดับอยากไปเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวอยากจะซื้อของต่างๆไม่มีเงินซื้อความทุกข์ก็มาแทนที่ หรือเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็ก็เป็นความทุกข์นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราได้รับกันในขณะนี้ทุกเกิดจากการที่เราไปเสพของที่มันไม่เที่ยงของชั่วกล่าวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆของภพต่างๆเป็นอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเป็นของชั่วคราวรูปภพก็ไม่เที่ยงอารูปภพก็ไม่เที่ยงการมาภพคือเทวภพก็ไม่เที่ยงมนุสยภพก็ไม่เที่ยงเลรชานภพก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปความสุขที่ได้จากการเสพอยู่ในภพต่างๆก็ได้เป็นของชั่วคราว ทำให้เราต้องขวนขวายแสวงหาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยทำให้เราพอมีแต่อยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปนี่คือการหาหาบ้านของพวกเราหรือหาความสุขของพวกเราหาจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผทตถะหาจากการ เสบลาบยศสรรเสริญที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจกันเพราะของพวกนี้มันเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็เสียบางทีก็สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปพอเสียก็เศร้าโศกเสียใจพอไม่ได้ก็เสียใจผิดหวังน้อยอกน้อยใจ พอได้มาก็ดีใจแล้วก็อยากจะได้อีกนี่คือการอยู่ของพวกเราการหาความสุขของพวกเราซึ่งมักจะกลายเป็นความทุกข์เพราะเรากําลังหาสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนกันมาให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายไป ถ้านี้ตายไปบุญกับบาปที่เราทํานี้ก็จะมาแย่งเอาใจเราไปถ้าบุญมากกว่าบาปก็ดึงเราไปสวรรค์กันถ้าบาปมากกว่าบุญก็ดึงเราไปอาบายกันพอใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่ต่อไป นี่คือความหมายของการติดอยู่ในวงเวียนของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันแต่ทงามาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงร่างการของมนุษย์นี่มันไม่เที่ยงอริจัง มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดได้เดี๋ยวก็ต้องมีดับดังนั้นเราก็ต้องทุกขกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับแผนที่พบกับคนที่รู้ทางที่จะพาให้เราออกจากการติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยันนี้ ผู้ที่รู้แผนที่หรือมีแผนที่ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระอริยสงสาวกเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นพวกที่มีแผนที่ท่านรู้ทางที่จะพาออกพาให้ใจออกจากวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพาให้ใจไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ เป็นเหมือนบ้านของเราบ้านของเรานี้เป็นที่ให้ความสุขกับเราใช่ไหมเราถึงไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านกันพอกลับบ้านแล้วสบายอาบน้ําอาบท่ากินอาหารนอนดูทีวีทาอะไรสบายเพยงแต่ว่าเป็นสวรรค์ชั่วคราวเพราะเรายังมีความอยากหาของนอกบ้านอยู่ เพราะของในบ้านยังมีไม่ครบของที่เราอยากได้แต่นิพานนี้มีของครบทุกอย่างที่เราอยากได้อยากได้อะไรเราสามารถเนรมิตขึ้นมาได้ในพระนิพานเราก็เลยไม่ต้องออกจากนิพานไปถ้าเราไปถึงนิพานแล้วเราก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปเกิดในปลายภก พอเกิดแนละ้วมันจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอความทุกข์แต่ถ้าอยู่นิพพานก็ไม่เกิดแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะให้ความสุขความอิ่มความพอกับเราถ้าเราได้เกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเราโชคดีได้เจอแผนที่หรือสมมติว่าเราไปหลงอยู่ใน เราไปเที่ยวป่าแล้วหลงป่าหลงทางหาทางออกจากป่าไม่ได้ถ้าเราได้เจ อ, เอคนที่รู้จักทางเราก็โชคดีเดี๋ยวก็พาเราเดินแรับเดียวก็ถึงถนนถึงทางถึงที่เราจะไปต่อได้อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราหลงอยู่ในป่าใหญ่ป่าแห่งสังสารวัฏ ป่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดป่าแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นพบไหนก็ตามถึงแม้ ว, ว่าจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์มันก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมไปเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงมาเป็นเทพเป็นเทพแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์ใหม่หรือพบที่มันมีทุกข์มากกว่าสุขมันก็ชั่วคราวเหมือนกัน ไปติดคุกติดตารางเลยนะลกเดี๋ยวก็พ้นโทษออกมาพ้นโทษออกมาก็มาเป็นเปรตต่อพ้นจากเปรตก็มาเป็นเดรัจฉานต่อพ้นจากเดรัจฉานแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่เพราะยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวก็ต้องไปขโมยเงินก็า พอขโมยเงินเกิดเจ้าของเขาต่อสู้ก็เลยฆ่าเขา<ม>อยากเสพการแต่ไม่มีแฟนก็เราไปข่มขืนเขาพ<ม>อเขาต่อสู้ก็เลยฆ่าเขา<ม><ม>ทําบาปหาความสุขด้วยการเสพการตายไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมใหม่แต่ถ้าเราฝืนไม่ทําบาปอยากได้อะไรถ้ายังไม่มีเงินก็รอไว้ก่อน ไปทำงานไปหาเงินก่อนถ้าอยากได้แฟนยังไม่มีแฟนก็รอไปก่อนรอไปจนกว่าจะได้แฟนอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำบาปเมื่อไม่ทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยเพราะไม่ได้ทำบุญ แต่ถ้าเราโชคดีเกิดมาร่ำรวยเกิดมาเป็นลูกคนรวยมีโอกาสทำบุญถ้าเราทำบุญล้วเราไม่ทำบาปตายไปเราก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราเจอคนที่รู้จักชวนเราไปวัดชวนเราไปนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้ได้ฌานขั้นต่างๆเราก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นผม แต่สมาธิก็ยังเป็นของชั่วคราวไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นสวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนการเราจะมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเจอพระพุทธเจ้าก็ดีที่สุดถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอน ก็ยังใช้ได้เพราะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เจอพระธรรมคำสอนเจอพระอริยสงสาวก4ขั้นเนี่ยพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอน า, าคามีพระอาหารหันเนี่ยทั้ง4ท่านนี่ท่านรู้ท่านมีแผนที่เพียงแต่แตลษท่านนี่เดินทางไปยังไม่ถึงกันมีท่านที่4ที่ถึงคือพระอาหารหัน ขั้นที่สามขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งนี้กำลังออกเดินทางกันแต่มีแผนที่แล้วไม่หลงทางเหมือนขึ้นทางด่วนแล้วเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราจะไปกรุงเทพพอเราไปขึ้นทางด่วนแล้วทีนี้ไม่หลงทางอยู่บนทางด่วนแนละ้วเดี๋ยวทางด่วนมันก็พาเราไปถึงกรุงเทพเองแต่ถ้าอยู่ถนอนอื่นนี่ไม่แน่เดี๋ยวไปเจอสี่แยกไฟแดงเดี๋ยวเจอทางแยกไม่รู้จะไป ทางซ้ายขวาดีเดยกก็หลงทางได้อันนี้คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพเจ้าบอกว่าธรรมะคำสอนของเรานี้จะเป็นตัวแทนของเราต่อไปจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอเป็นศาสดาของพวกเธอพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา ถ้าพวกเธอมีพระธรรมคําสอนพระธรรมคาสอนก็มีมาเราก็สามารถเข้าหาได้สองทางหาจากหนังสือที่มีการบันทึกเอาไว้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีแมื่นสี่พันบทด้วยกันรรมบทนี่คือคาสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ แล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆคอยจดคอยจำกันที่พระสงฆ์มาบวชมาสวดมนต์กันมวนนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละบทนั่นเอง mm hmm. สมัยโบราณเขาอ่านเขาเรียนหนังสือไม่เป็นไงเขาดูหนังสืออ่านไม่อ่านออกไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เขาก็เลยใช้การท่องจำพระที่บวชนี้จะต้องหัดท่องจำพระสูตรต่างๆ mm hmm. คำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ถ่ายทอดกันมาออามาเริ่มมีการศึกษาริ่มมีการเรียนการอ่านก็เลยมีการบันทึกเป็นตัวนังเป็นตัวหนังสือใส่ไว้ในใบลานสมัยก่อนนี่เขาไม่มีกระดาษเขาเลยใช้ใบลานเป็นกระดาษเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีกระดาษก็ใช้กระดาษเดี๋ยวนี้มี เครื่องมือถือมีเครื่องอ่านเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องมือถืออ่านธรรมะในมือถือได้ในคอมได้ในแท็บเล็ตได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงทุกคำพูดที่พระเจ้าทรงตัดไว้นี้ได้จดได้จำกันมาแล้วก็ได้เก็บบันทึกกันมาส่วนวิธีเข้าหาธรรมพระธรรมคําสอน อีกวิธีหนึ่งก็เข้าหาจากคําสอนของพระอริยสงสาวกถ้าเจอพระอริยสงสาวกก็จะได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะพระอริยสงสาวกก็จะสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือบอกทางเหมือนกันบอกทางไปสู่พระนิพพานเหมือนกันเพราะพระอริยสงสาวกท่านก็รู้จักทางแต่บางท่านยังไปไม่ถึง ไปได้แค่ไม่กี่กิโลยังต้องเดินทางต่อไปแตาท่านไม่หลงทางเพียงแต่ว่าท่านยังไปไม่ถึงท่านก็จะสอนได้แค่ถึงจุดที่ท่านไปถึงเช่จนจากนี้บางท่านก็ไปแค่ศรีราชาบางท่านก็ไปถึงชนบรุรีบางท่านก็ไปถึงกรุงเทพท่านที่ไปถึงศรีราชาก็บอกได้แค่ศรีราชาเลยศรีราชาไปนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ราต้องทำอย่างไรแต่ท่านไม่หลงท่านรู้ท่านมีแผนที่พอไปถึงแล้วท่านก็จะรู้เองว่าต้องทำอย่างไรอันนี้คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแผนที่ที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านที่เรากำลังหากันอยู่นี่อะไรเราหาอะไรกันอยู่ทุกวันนี้เราหาความสุขใช่ไหม เราหาวิธีดับทุกข์ใช่หัหยนั่นแหละก็คือการไปหาบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นั่นเองที่ที่ไม่มีความที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่มีแต่ความสุขก็คื อ, อนิพพานถ้าเราไปถึงนิพพานก็เท่ากับว่าเราได้ไปถึงบ้านบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์และเราไม่ต้องออกจากบ้านนั้นอีกต่อไป เราไม่ต้องออกมาเสียงภัยบนท้องถนนเวลาออกจากบ้านแต่ละครั้งนี้ต้องเสียงภัยกับรถ ล, ลาต่างๆบนท้องถนนรถจะพลิกคว่มกันเมื่อไหร่จะชนกันเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้มาพบกันในชาตินี้ แล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะได้พบกันทุกพบทุกชาติไปเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราจะเกิดในภพของมนุษย์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาแต่ท่านสามารถติดต่อกับเทวดาได้สมมติว่าถ้าเราเป็นเทวดาแล้วเรายังหาหาแผนที่อยู่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามา เกิดในภพของมนุษย์เนี่ยตอนกลางคืนก็ลองลองหาดูก็อาจจะเจอพระพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าตอนเด็กนี้จะแสดงธรรมให้แก่เทวดาถ้าเป็นเทวดาก็ลองถามเทวดาด้วยกันว่ามีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเทวดาที่รู้ก็บอกว่ามีเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปได้เวล า, า, า, านี้นะ เทวดาก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกคืนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกคืนให้กับเทวดาให้กับพระภิกษุให้กับญาติโยมทุกวันตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับญาติโยมตอนค่ำก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรตอนเด็กก็แสดงธรรมให้กับเทวดาบอกแผนที่บอกทางให้กับพวกที่อยากจะกลับบ้าน พวกที่เบื่อกับการติดอยู่ในวงเวียนวนอยู่นั่นละ่ะลองให้ไปขับรถแถวอนุสาวรีย์ไทยกันสักปีหนึ่งเอาไหมให้วนอยู่แถวนั้นละ่ะเราก็จอดรถกินก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นเวลาหิวก็แวะจอดรถข้างข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวน้ำมันหมดก็แต้วน้ำมันเสร็จก็เราก็ออกมาขับวนอยู่ในอนุสาวรีย์นั่นแหะนั่นแหละคือชีวิตของพวกเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ เหมือกับขับรถวนเวียนอยู่ในอนุสาวรีย์ชัยสมรรถภูมิเนี่ยไม่อะไรมันก็มีแต่ของซ้ำซาก ข, ของเดิมเดิมลูปก็รูปเดิมเสียงก็เสียงเดิมกลิ่นก็กลิ่นเดิมเสกกันอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เสกก็จะตายไม่ได้เสกก็จะตายกันทรมารย์กันเพราะเราไม่ไม่มีแผนที่ไม่มีเสียง ไม่มีคนบอกให้เราออกจากวงเวียนนี้วิธีที่จะออกจากวงเวียนนี้เราต้องตัดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่แหละที่ทำให้เรามาเกิดกันเกิดในภพต่างๆกามาตัณหาก็ทำให้เรามาเกิดในการมาพบภาวะตัณหาก็ทำให้เรามาเกิดในรูปภพ วิภาวะตันหาก็พายเรามาเกิดในอรูปภพกันมีภพสามก็มีตันหามสา ม, มกามาพบก็มาก็มาจากการมตันหารูปภพก็มาจากภาวะตันหาอรูปภพก็มาจากวิภาวะตันหาดังนั้นเราต้องตัดตันหาทั้งสามนี้ ถ้าเราจะไม่อยากจะกลับมาเกิดการจะตัดการหารั้งสา์นี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลแปดศีลห้าไม่พอศีลห้ายังไปเที่ยวได้ยังนอนกับแฟนได้ก็ยังไม่สามารถตับความอยากได้ ถ้าถือศีลแปะนี่ศีลข้อสามก็ห้ามนอนกับแฟนถ้าถือศีลห้าศีลข้อสามยังนอนกับแฟนได้อยู่แต่นอนกับคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าถือศีลแปดเราก็จะไม่ได้นอนกับแฟนจะได้มีเวลามานั่งสมาธิแทนถ้าไปนอนกับแฟนก็จะไม่มีเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ก่อนที่เราจะตัดความอยากได้เราต้องทําใจให้สงบก่อนทําใจให้มีความสุขก่อนพอเรามีความสุขแล้วเวลาเกิดความอยากเราก็ฝืนความอยากได้อยากดื่มกาแฟาก็บรรลุได้มีความสุขใจจากสมาธิแล้วมันอิ่มใจกว่าความอยากที่จะได้จากการดื่มกาแฟก็ฝืนได้ไม่ดื่มก็ได้พอไม่ดื่ม เดี๋ยวความอยากก็หมดกำลังไปความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็หมดกำลังไปพอหมดกำลังไปก็สบายการมาตัญหาก็หมดไปความอยากมีอยากเป็นก็ฝืนมันได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากดีอยากเด่นก็ฝืนมันได้ เป็นมนุษย์ธรรมดาก็พอไม่ต้องให้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องให้คนมายกย่องสรรเสริญไม่ต้องมีบริษัทมีบริวารไม่ต้องมียศมีเกียรติถ้าไม่มีภาวะทันหาก็ไม่ต้องไปเกิดวิภาวะทันหาก็คือความอยากไม่เป็นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ อ, อตัดไ อ, อ้วิภาวะตัณหาได้ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปตัดตัณหาทั้งสามได้ออก่อนจะตัดได้ต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขใจก่อนแล้วก็จะตัดก็ต้องมีปัญญาว่าทําไมต้องตัดความอยากความอยากมันดีหรือไม่ดีเ อ, อปัญญาจะบอกว่า ความอยากไม่ดีความอยากจะทำให้เราอยากอยู่เรื่อยๆจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมันถึงไม่ดีแต่ถ้าคนงอก็จะคิดว่าความอยากดีถ้าไม่อยากแล้วถ้าไม่อยากรวยแล้วจะรวยได้ยังไงเขาก็จะคิดอย่างนี้ถ้าไม่อยากมีแฟนสวยๆงามๆหล่อๆเราๆจะมีแฟนสวยๆงามๆหล่อๆได้ยังไงต้องมีความอยากถึงจะได้สิ่งเหล่านี้ เมื่อใดสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีความสุขแทนที่จะเห็นว่าความอยากนําไปสู่ความทุกข์กับมองว่าความอยากนําไปสู่ความสุขทุกคนถึงอยากกันใช่ไหมอยากรวยกันเห็นคนรวยแล้วน่าอิจฉาไหมโอ้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะซื้อรถเบนซซื้อรถลำบอร์กินนีก็ซื้อได้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องขึ้นรถเมย์ เนืเดินเนื้อห้อยห้อยท้ายมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็เลยอยากรวยกันแต่ไม่คิดถึงว่าเวลารวยแล้วเกิดเวลามันจนขึ้นมาจะทํายังไงเกิดเงินหมดขึ้นมาทํางไงเวลาจนนี่ไม่ทุกข์อะเวลาเวลารวยแล้วมาจนนี่มันทุกข์กว่าหลายเท่า มองไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนรวยได้เดี๋ยวก็จนได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ก็ตกต่าได้เป็นนายกเดี๋ยวก็พ้นตำแหน่งได้เห็นไหมนายกคนก่อนอนันนี้กําลังจะไปติดคุกแล้วเห็นไหเนี่น่ตอนนี้ทุกข์ไม่ทุกข์ถามนายกคนก่อนเยอะ อ่านี่ของเห็นเห็นกันชัดๆแต่ไม่มองกันไม่คิดกันคิดว่าว่าเป็นใหญ่เป็นโตดีแต่ไม่คิดเวลามันตกตกลงจากเก้าอี้มันเป็นยังไงเจ็บก้นไหมนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเกิดหล่นตกมาจากเก้าอี้มันเจ็บเนี่ยมันทุกเวลารวยแล้วจนนี่มันทุกไม่ต้องจนดอกเสียไปมีร้ยล้านหมดไปสักห้าสิบล้านก็ทุกแล้ว ไอ้คนที่มีร้านหนึ่งเขากลับไม่ทุกข์ไอ้คนที่เหลือห้าสิบล้านกลับทุกข์กว่าคนที่มีร้านหนึ่งเพราะอะไรเพราะอยากอยากได้คืนอยากได้ห้าสิบล้านที่เสียไปคืนเนี่ยมีคนสองคนเนี่ยมีเงินเท่ากันคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งสุขเนี่ยมีสิบล้านเท่ากันคนที่สุขเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีแค่ร้านเดียวเดี๋ยวนี้ได้มาได้สิบล้านก็เลยสุขเนี่ย ไอ้คนที่มีสิบล้านแต่ทุกข์เพราะเมื่อก่อนมีร้อยล้านตอนนี้เหลือสิบล้านก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะความอยากมันไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหรอกถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์จะเฉย ๆ, ๆมีกี่ล้านก็เท่ า, ทานั้นมีก็มีไปไม่มีก็ไม่มีอยู่ได้ไม่ต้องใช้เงินคนที่ไม่มีความอยากเราไม่ต้องใช้เงิน ก่อนที่มีความสุขจากการนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิดีกว่านั่งเอาสุขจากสมาธินี่ราคามากกว่าเงินน้อยล้านพันล้านก่อนที่มีความสุขจากสมาธิแล้วไม่ต้องมีเงินก็เลยไม่ต้องทุกข์กับเงินไม่ต้องไม่ต้องทุกข์กับการเป็นใหญ่เป็นโตเพราะไม่ต้องการไม่มีความอยากได้ราบยศสรรเสริญใครจะชมกอไม่ชมก็ไม่เดือดร้อน คนที่มีความสุขใจแล้วสบายนั่นแหละนี่คือนิพพานที่บ้านของเราก็คือความสุขใจที่พวกเราจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญากําจัดความอยากต่างๆเพราะถ้าเรามีความอยากแล้วความสุขใจจะหายไปถ้าเราไปทําตามความอยากแตถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากความสุขใจ ก็ยังจะอยู่ต่อไปเชนเวลาออกจากสมาธิมาอยากจะไปกินกาแฟก็อย่าไปกินมันเดือดถ้าหิวน้ําก็เดื่มน้ำเปล่าไป mm. ก็ไม่ต้องไปดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟความสงบความสุขใจหายไปแล้วความสุกกายมาแทนที่แต่ความสุขกายเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอความสุขกายหมดไปไม่มีความสุขเหลืออยู่ละสุขใจก็ไม่มีสุขกายก็ไม่มี ถ้าไปหาความสุขทางกายก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องไปหากาแฟามาดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหากาแฟาดื่มไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามากลับมาหาสุขใจนี่หาได้ตลอดเวลาเพราะสุขใจนี้มีอยู่ในใจตลอดเวลาเครื่องมือที่ทําให้ใจสุขก็มีอยู่ในใจตลอดเวลาคือสติกลับมาหาความสุขใจดีกว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ถ้าเลิกหาต่อไปความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วต่อไปความสุขใจก็จะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหายเพราะไม่มีอะไรมาทำลายตัวที่ทำลายคือความอยากต่างๆก็ถูกกาจัดไปหมดด้วยการฝืนมันด้วยการไม่ทาตามมันด้วยการเห็นโทษของมันว่านำไปสู่ความวุ่นวายใจต่างๆ แล้นี่คือแผนที่ที่พระเจ้าทรงค้นพบทางที่พระเจ้าทรงค้นพบแล้วก็เลยมาเขียนเป็นแผนที่เพราะทำคาสอนเนี่ยเป็นแผนที่แผนที่จะที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้จะหายไปหมด มีแต่ความสุขเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวเราถือว่าชาตินี้โชคดีที่ได้มาเจอแผนที่ได้มาเจอคนนําทางเราจึงควรที่จะเชื่อคนนําทางเชื่อแผนที่ถ้าเราไม่เชื่อก็เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราก็จะไม่ทําตามแผนที่เราก็จะไม่เดินไปตามแผนที่เราก็จะเวียนอยู่แถววงเวียน พอเรายังติดก๋วยเตี๋ยวอยู่แถววงเวียนติดภาพยนตร์ลงภาพยนตร์ที่อยู่แถวงแถววงเวียนนั่นะศูนย์การค้าที่อยู่รอบวงเวียนสวนสนุกต่างๆโรงแรงต่างๆโรงละครต่างๆมีอยู่แถว ล, าล่าวนองเวียนก็จะติดไม่ยอมไปไม่ยอมออกจากวงเวียนถึงแม้ว่าจะทุกข์อย่างไรก็ยังกลับมาหาหมัอนอยู่นั่น ทุกไปท้าหลายร้องไห้ไปกี่ขันน้ําตากี่ขันเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็หัวเราะก็กลางเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็ทุกใหมอ่อีกทุกก็เลยหัวเราะไม่ออกอกีกจนกว่าจะลืมความทุกข์แล้วก็ถึงจะหัวเราะออกแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอความทุกข์ใหม่อีกเพราะว่าไม่ได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วได้อะไรมาก็ต้องจากกัน เวลาได้มาก็โัวเลาะกันดีใจกนนันเวลาแต่งงานกันจัดงานเลี้ยงใหญ่โตวเวลาอยากกันไม่มีจัดงานเลี้ยงกันเลยเวลาทุกข์ไม่มีใครเห็นเห็นแต่เวลาสุขนะสุขนี่โอชลองกันใหญ่ทุกข์นี่ไม่มีใครอยากจะมาร่วมฉลองด้วย นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องเจอความทุกข์เสมอก็เรกว่าสุขต้นเวลามาเกิดใหม่ๆนี่มีแต่สุขเพราะร่างกายยังเจริญเติบโตอยู่มีแต่ดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันจากปีหนึ่งเป็นปีสองปีสามร่างกายโตขึ้นใหญ่ขึ้นสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพอพอผ่านไปครึ่งทางแล้วทีนี้มันเริ่มถอยหลังแลสิเริ่มนับถอยหลังลสิ เริ่มเหนื่อยลงเริ่มเรียลแรงหมดลงหูตาเริ่มไม่ดีแล้วเสริมตามัวหูหนวกแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นแล้วทีนี้เริ่มเข้าหาความทุกข์แล้วชีวิตของมนุษย์นี้เ็เรียกสุกต้นทุกปลายแล้วพอถึงเวลาจะตายนี่ก็ เราสศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเลวลาตายก็เสียใจคิดถึงกันนี่แหลามได้ถ้าเรายังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไปทุกภพกทุกชาตินถ้าเราไม่เชื่อ ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ปฏิบัติสีนสมาธิปัญญากันเราก็จะไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วเราก็ดีใจมีความสุขกันตอนที่เราหามาได้แต่ต่อไปพอเราหาไม่ได้ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะหาได้ตอนนั้นก็อยู่กับความทุกข์ไปเวลาแก่ถึงมักอยากจะฆ่าตัวตายกัน อยู่แล้วซึมเศร้าอยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราสร้างความสุขใจขึ้นมาได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขทางใจไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญความสุขของทางใจใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอย่างถ้าเราฝึกสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเราจะมีความสุขใจตลอดเวลาเพราะสติสมาธิปัญญาจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนร่างกายที่มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด พอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเราก็จะมีความสุขใจตลอดเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่พอแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วมีวิธีหาความสุขอันใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทำบุญทำบาปอยู่ที่นิพพานสบายมีแต่ความสุขตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆจะมาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกนี้ การมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราแต่ละครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาทุกทุกครั้งไปเพราะพระพุทธศาสนานานๆจะมามีสักครั้งหนึ่งแล้วมีก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้แค่ห้าพันปีแต่ก่อจะมีศาสนาพูดอันหนี้เป็นหลายล้านหลายล้านล้านปีด้วยกันถึงจะมีศาสนาพุทธโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและจังหวะที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมาเจอศาสนา พูดก็ยากเหมือนกับถูกรอตเตลีรางวัลที่หนึ่งดังนั้นตอนนี้พวกเราเหมือนกับได้ถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งแล้วเวลาเราถูกรอตลีเราทําอะไรกันนะเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆหรือว่าเราไปขึ้นเงินไงขึ้นเงิน <laughs> ไม่เก็บไว้เฉยๆทําไมาเวลาถูกรอตลีของบ๊อบพุทธศาสนากลับเก็บไว้เฉยๆได้หนังสือธรรมะไปไม่เห็ น, หนับไปอ่านเลย ไม่เลยไปปฏิบัติกันนะเาอยากจะได้รางวัลของพระพุทธศาสนารางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็คือต้องอ่านหนังสือธรรมะกันอ่านแล้วก็ปฏิบัติหนังสือธรรมะก็จะสอนให้เรารักษาศีลแปดกันสอนให้เรานั่งสมาธิกันสอนให้เรามีปัญญากันถ้าเรารักษาศีล นั่งสมาธิศึกษามีปัญญาเราก็จะได้ขึ้นรางวัลได้ขึ้นพระนิพพานเป็นรางวัลชาวพูดเราส่วนใหญ่ไม่ชอบขึ้นรางวัลกันถ้าจะขึ้นรางวัลก็เอาแค่เลนท้ายสองตัวเอาแค่ทำบุญรักษาศีลทำบุญก็พอใส่บาตรอย่างเดียวศีลบางทียังไม่อยากรักษาเลยยังอยากโกหกอยู่ยังอยากโกงอยู่ ยังอยากฆ่ามดยังตกยุงอยู่แสดงว่าเอาแค่เลื้อยคล้ายสองตัวเท่านั้นถ้าทําบุญก็เท่ากับเลื้อยคล้ายสองตัวถ้ า, ถ า, า, ถารักษาศีลก็เท่ากับเอารางวัลที่ห้าที่สี่ะเออทำนั่งสมาธิก็เอารางวัลที่สามที่สองถ้ามีปัญญาก็จะได้ร า, างวัลที่หนึ่ง เะฉขอให้เรารู้กันนะว่าตอนนี้พวกเราถูกลอตเตอรี่กันแนละ้วจะเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆก็แล้วไปไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปขึ้นรางวัลที่วัดถ้าอยากจะขึ้นรางวัลก็ต้องไปวัดไปทาบุญไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งก็จะมาไม่ยากเย็นอะไรเลยการมาถูกลอตเตอรี่นี่มันยากใช่ม วเวลาถูกตะรีรางวัลที่หนึ่งนี้มันยากเลยาแล้วพอถูกปั๊บเราจะวางไว้เฉยๆเราตะรีไปนั่นอ่ะต้องเซ็นชื่อกำกับไว้ก่อนนะถ่ายรูปไว้เล ย, ยเพื่ อ, อเื่อมันหายจะไ ด, จะได้จะได้แจ้งความได้เราจะไม่ปล่อยไว้เฉยๆเราจะรีบติดต่อกับที่สานังกงานสลากกินแบ่งเลยว่าจะขึ้นรางวัลได้อย่างไร นี่พวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระมุตศาสนาที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกหลายล้านเท่าแต่แลรากลับใจเย็นๆ เ, เฉยๆไม่กระตือรือร้อนไม่ติดต่อมาทางวัดเลยว่าด้ <c oughs> รางวัลที่หนึ่งเราจะขึ้นรางวัลได้อย่างไรไม่มาเลยเนี่ยมดูทีมากันกี่คนเนี่ยพวกที่ถูกเนี่ยพวกนี้พวกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ห น, นึ่งแค่นั้มากันไม่กี่คนอ พวที่ไม่มาก็คือไม่รู้ว่าตัวเองถูกอัตลีรางวัลที่หนึ่งหรือรู้แล้วแต่ขี้เกียจยังอยากจะเที่ยวอยู่ยังอยากจ ะ, ะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ก็เลยไม่ไปขึ้นรางวัลเสียเดี๋ยวพอตายไปก็หมดสิทธิ์งั้โบราณท่านบอกน้ำขึ้นให้รีบตักอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้หลุดพ้นจากพวกเราไปเราได้พบกับของวิเศษของที่เราสามารถ ขึ้นรางวัลได้เคลมเป็นของเราได้แต่เราต้องทําหน้าที่ของเราคือไปทำไปรับรางวัลไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาคําสอนไปศึกษาวิธีขึ้นรางวัลพอรู้แล้วก็ทําตามที่เขาสอนให้บอกรักษาศีลแปก็รักษาศีลแปดให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้ฝึกปัญญา ให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่มีกิดดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกขเพราะมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดความสุขที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ ถ้าไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้พอมันจะจากเราไปมันก็ไปของมันดื้อๆอย่างนั้นเห็นไหแฟนอยู่ดีๆจะไปก็ถือกระเป๋าหิ้วออกจากบ้านไปละไม่กลับมาละไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีห น, น, นีไม่พน้นนี่คืออนัตตา น, นี่คือปัญญาถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้ก็จะได้ทิ้งมันหมดเลย ไม่เอาแล้วราบยศสรรเสริญไม่เอาแล้วรวบเสียงเกล็ดลดผลพระไปเอารางวัลที่หนึ่งไปเอาพระนิพพานดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าไปถือศนลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดไปนั่งสมาธิไปสอนใจให้เห็นเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราะแล้วก็จะตัดความอยากที่พายเรามาเกิดกันได้พอหมดความอยากแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอ ใจก็จะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของแผนที่เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของเราเกี่ยวข้องกันชากนี้เรามีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์พึงจะได้พึงจะได้รับกันแต่ถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่เอาประโยชน์นี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครบังคับเราได้เราต้องบังคับตัวเราเอง ถ้าไม่มังคับมันก็จะไม่ไปขึ้นรางวัลกันมันขี้เกียจมันยังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เพราะมันมองไม่เห็นว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเนี่ยก็ขอให้เอาไปพิจารากันแล้วก็ปฏิบัติกันเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตตินังเปตานาังอุ ป, ปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพพุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรมมวาธานติอายุวโนสุขัง ภาลางังใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะอยู่ข้างล่างเมื่ออยากจะขึ้นมาก็เขียนข้อความฝากขึ้นมาถา ม, าามา ก, ออกไ็ได้อ๋อมาองไก่นะอ๋อเห็นเห็นช่วงนี้หายไปอยู่บ้านตายเนะีข้าวปั้นสาที่นั้นเนะี่ สาข า, าอยู่ในเมืองไงเลย อ, อ, อยู่จากถนนโพสีป่ะอยู่กโพสีเลยเอื่อก่อนที่บ้าใช้ร้านที่ถนนโพสีเป็นที่รับจุดหมายํำชื่อร้านไม่ได้แล้วขายแก๊สอาส่งเสริมส่งเสริมบริการไงยังอยู่กเปล่าเลยอ ย, อยู่เลย เมื่อก่อนจะเขียนจดหมายต้องฝากที่ร้านที่ร้านก็จะมาเวลามาวัดเขาก็มาส่งที่วัดให้จำชื่อร้านนี้ได้ส่งเสริมบริการถนนโพสีแต่ไม่เคยไปลักทีอยู่แต่ในวัดวันนี้ Facebook เข้ามาเท่าไหร่ยะทางเ c e b o o k สูงสุดสามร้อยเก้าสิบหกค่ะทางยูทูบสูงสุดหนึ่งร้อยสามค่ะ ปัญญาณไม่ดีเลยไม่ดีดีมากไม่ดีมากค่ะถามน้อยกว่าแสดงว่าอาจจะมีปัญหา396ร้อค่ะปัญนาอย่างโอเคครับโอเคอเลยมีใครอยากจะถามเลยไหมถามได้นะไม่เก็บตังค์ <laughs> <laughs> จ่ายแล้วรับผมลองใส่เรื่อง เรื่องจิตกับตัวรู้ครับตัวเดียวกันเนะี่ยมันตรงสายเลยตัวเดียวกัาว่าจิตนี่มันมีสองความหมายตัวรู้กับตัวตัวคิดตัวจิตนี่มันมีทั้งคิดทั้งรู้ตัวที่เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าจิตเหมือ น, นกั น, นะ น, น, นแล้ ว, แ ล, วแล้วผมสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ที่ผมพยายามปฏิบัติไปนี่คือว่าเราเราเราตัดกระแสมันออกใช่ไหมครับคือว่าเราจะไม่ทง เราเราจะไม่ท่งอารมณ์ไปที่ไออตัวรู้อ่ะไม่ไม่ใช่เราจะไม่สน ใ, ใจเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสแต่คือว่าถ้าอย่างตัวรู้อย่างไงมันก็ต้องรู้ของมันอตัวรู้มันไม่มันหนงไงมันหนงมันหนงถูกหล่อให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธเจา้ามาสอนตัวรู้ใหม่ว่าอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ดึงมันกลับมาให้ม<ข>ันก็ค<ข>ือว่าจิตจิตกับตัวรู้นี่ก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกัน จิตใจเนี่ยตัวโลแล่วแล้วสมมุติว่าเหมือนจิตจิตเรานี่มันไวมากในในการคิดในการดีทั่วเนี้ยครับก็เราต้องใช้สติไงถ้าเราฝึกสติต่อไปเราก็ทันมันเราก็หยุดมันได้สั่งมันได้ก็ก็เหมือนเราไปไปตัดสันดานมันให้เป็นนิสัยอ่าน่าดัดสันดานมันติดยาเสพติดตอนนี้ต้องการให้มันเลิกเสพยาเสพติดกันอตอนนี้เราเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เป็นยาเสพติดอยกัน กตั ด, ด, ด, ดให้เป็นนิสัยของจิตใช่ครับให้มันนิ่งให้มันเลิกเสเอให้มันรู้เฉยๆให้มันตัดความอยากเพราะความอยากมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจอยากแล้วทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจกระสับกระส่ายใจสั่น่ไหมเวลาอยากอะไรมากๆนี้มือไม้สันส่นไปหมดใจสั่นไปหมดแต่เราถ้าเราฝึกสติสตินี่มันจะหยุดความสั่นได้ สมมติเราใจเราไม่สบายาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หายอย่าปล่อยให้มันไปคิดยิ่งคิดยิ่งสั่นใหญ่พอยิ่งคิดยิ่งอยากยิ่งคิดบุหรี่อยากจะสูบบุหรี่นี่ยิ่งคิดถึงบุหรี่ใจมันก็ยิ่งสั่นใหญ่ถ้าไม่ได้สูบถ้าเราคิดแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันเลิมนั่งบุหรี่ความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปใจสั่นก็หายไปอันนี้ก็คือเป็น เป็นแบบเป็นเวทนาทางกิตใช่ไหมครั บ, ท, รบทุกันเราเรียกว่าทุกใจสั่นนี่เรียกว่าทุกอันนี้ไม่ใช่เวทนาเวทนานี่มันทางกายเวลาเวลาร่างกายถูกเขาตีศรีรษะยเงี้ยตบหัวอเงี้ยร่างกายเจ็บนี่เรียกทุกเขเวทนาแต่ถ้าทุกขทางใจเราไม่เรียกเวทนาเราเรียกว่าทุกทุกในสมุทยัยทุกที่ในอริยสัจ ทุกที่เกิดจากความอยากอยากเสกกรรมแล้วไม่ได้เสกมันทุกข์ที่ตัวทุกข์นี่ใช่ไหมที่มันทำให้จิตมันสั่น เ, เราไม่ใช่ตัวทุกข์ที่ทำให้สั่นไอ้ตัวอยาก อ, อ, อยากแล้วมันถึงสัง่นถ้าไม่อยากแล้วมันไม่สั่นตอนนี้ไม่อยากมันสั่นนี่เราเนี้่ยเดี๋ยวลองอยากดูเห็จแล้วไม่ทําตามความอยากมันสั่นนะอันนี้ไม่ได้ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแล้วแล้วคือว่าทําไมเกิดเกิดม า, านี่ ถึงว่ามันมันติดอาวุธความอยากมาให้เลยครับทไมมันไม่ติดมันเป็นสันดานไงมันฝึกมาทำงี้มาเรื่อยๆจนฝังอยู่ในสันดานต้องมาแก้สันดานมาดัดสันดานนั่นเองสันดานของเราไม่ดีมันต้องมาดัดสันดานให้เป็นพระอริยะเจ้าตอนนี้เราเป็นปุถุชนสันดานมีมีแต่ความอยากเราพระอริยะเจ้านี่มาดัดความอยาก ตัดความอยากพระโสดามันก็เลิกความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระสกิราคามีพรานากมีก็เลิกความอยากเสพเสพกรารอยากมีแฟนอยากนอนกับแฟนได้พระอรหันต์ก็เลิกความอย า, อยากอย่างอื่นที่ยังมีเดืออยู่อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยา่างผมผมสงสัยว่าอย่า ง, งเรื่องกิตนังรครับ ถ้าถ้าเกิดว่ามันยังเกิดความอยากขึ้นมาอยู่นะครับอย่างในภพชาติหน้าเนี่ยก็คือว่าจิตที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกายภาพให้คนมาเกิดเลยน่ครับไม่หรอกเกิดให้มันมีอยู่มันมีคนผลิตอยู่แล้วคือร่างกายนี้จิตไม่ได้เป็นคนผลิตร่างกายคือพ่อแม่เราผลิตเราเพียงแต่มาเกาะเหมือนมาซื้อมือถือเนี่ยมือถือเราไม่ได้ผลิตเองใช่ไหมโรงงานเขาผลิตแล้วก็มาตั้งขาย เราอยากได้มือถือเราก็ไปซื้อท่านเราอยากได้ร่างกายเราก็รอให้เขาผลิตร่างกายออกมาพอพ่อแม่ผลิตร่างกายปั๊บเราก็เอาส่งวิญญาณเราไปเกาะไว้เกาะตาหูจมูกริมกายร่างกายนั้นก็เป็นของเราขึ้นมาทันทีแล้วพอมาจากท้องแม่เราก็หัดใช้ร่างกายมันหัดขับรถหัดใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ใช่ไหม มือถือนี่ซื้อมาใหม่ๆใช้เป็นที่ไหนล่ะก็ต้องมาหัดอ่านดูว่ากดตรงไหนทำอย่างไรร่างการนี้ออกมาใหม่ๆวิ่งได้เปล่าเดินได้เปล่ากําลังมาหัดเดินหัดคลานหัดกินหัดดืม่มหัดอะไรต่างๆเนี่ยกำลังหัดใช้มือถือกันร่างการนี้เป็นเหมือนมือถือใจก็ต้องมาหัดพอหัดเป็นน้อนชำนาญแล้วสั่งปุ๊บทำได้ปั๊บเลยอย่างนี้มือถือต้องการถ่ายรูปปับ๊บ ป๊บปั๊บถ่ายได้เลยต้องการเข้าเน็ตเข้าได้เลยเพราะมันทํานานมันฝึกมาหัดมาเรื่อยๆงา น, นการนี้เราหัดใช้มันมาขออนุญาตอรย์เรา อ, อยากาทราบวิธีการที่ทําให้ความโกรธมันลดลงบ้าง อ, อ๋อความโกรธมันเกิดจากความอยากเนยอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้มันก็โกรธเลก็ลดความอยากลงสิพระเจ้าบอกให้ถือมักน้อยสันโดษมักน้อย ก็เอาเล็น้อยอย่าไปอารมณ์ที่มันไม่พอใจเข้ามาเนี่ยมันแรงมากเข้ามาก็อย่าอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิฝนจะตกแดดจะออกก็ปล่อยมันเราไม่ค่อยเดือดร้อนกับฝนฝนตกแดดออกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปอยากกับฝนกับแดดแต่กับคนนี่เรามักจะไปอยากอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้อยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนขับรถขับอย่างนั้นขับอย่างนี้พอปากหน้าเราหน่อยก็ก่อธขึ้นมาเลยอ ันก็าทํให้เรราามีอโกเพราะความอยากเราถึงโกรธถ้าเราไม่มีความอยากเราไม่โกรธหรอกถ้าเราบอกเออมึงจะขับยังไงก็ได้เราก็จะไม่โกรธมึงจะปาดหน้าก็ได้มึงจะชนท้ายก็ได้มึงจะบีบแกไล่ก็ได้เราก็จะไม่โกรธเราไปอยากให้มันไม่ไม่ทําอย่างนั้นเราก็เลยโกรธเวลามันทําอย่างนั้นขึ้นมาเข้าใจไหม ไม่ใช่เขาที่ทำให้เราโกรธความอยากของเราที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเขาจะทำาังไงเราก็ไม่โกรธมันรับยากมากแล้วจังก็เนี่าต้องมาฝึกสติกันไงฝึกสติกันก่อนฝึกสติหยุดความอยากหยุดความชิดกันทำใจให้เป็นอูเบคขาเฉยๆพอใจเฉยๆแล้วก็สบายแล้วมออึงจะทำอะไรก็ทำไปโอเคที่อาจารย์ครับ ก็แบบเดียวก็อยากเองอะอยากอยากให้เขาทําล้วนี่ฟังก็ไม่ทําให้เราก็น้อยใจอยากให้เขารักเราเพราะเขไม่รักเราเราก็น้อยใจเองอะอยากทั้งนั้นนอะความทุกข์ใจทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากเท่านั้นแก้ความอยากก็คือพยายามหยุดความคิดอุเบกขานั่งสมาธิบ่อยๆทําใจสงบมันก็จะไม่หิวไม่อยากกับอะไรต่อไปก็เฉย ใครด่าก็เฉยใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราก็เฉยเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเรามีความสุขในใจเราแล้วตอนนี้เราไม่มีความสุขในใจเราเลยไปหาความสุขจากคนอื่นพอเขาไม่ให้ความสุขกับเราก็เสียใจน้อยใจท่นี้งั้นอย่าไปหาความสุขจากใครอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบใจสงบแล้วทีนี้ไม่หิว ใครจะดา่าใครจะชมไ ม, ไม่สาคัญใครจะให้ให้เงินหมือไม่ให้เงินไม่สาคัญใครจะช่วยเราไม่ช่วยเราไม่สาคัญนี่ยแหละคือสิ่งที่เราไม่มีกันคือไม่มีที่พึ่งในตัวเราเราเลยไปหาที่พึ่งข้างนอกพอเราไม่ได้มีพอไม่ได้เราก็เสียใจน้อยใจแล้วโกรธสั่งก๋ยเตี๋ยวแล้วเขาเขาผัดมาให้กินก็โกรธแล้ว แต่ถ้าทําใจว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดมันก็เหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเอได้ทั้งนั้นหัดคานช้หัดใช้คําว่าได้ทั้งนั้นอะไรก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบล้วไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยพระปฏิบัติเนี่ยบางทีท่านอดทีละสามวันห้าวันเจ็ดวันกันเพื่อดัดสันดานดัดให้วความอยากเนี่ยอยากกินนู่นกินนี่หลวงตาเคยดัดความอยากท่านบอกตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ย ฉันบาเสร็จฉันฉันเสร็จล้างบาเสร็จเช็ดบาสยังไม่ทันแห้งมันอยากกินอีกนะหลวงตาบอกนี่มันอยากแบบกิเลสเนี่ยไม่อยากทางร่างกายอย่างนี้ต้องมันดัดจันดานท่านบอกไม่กินมันสามวันอดสามวันเลยพอหลังจากนั้นมันไม่กล้าอยากกินแล้ะเพราะถ้าอยากก็ต้องดัดสันดานมันอย่าไปกินมันมันอยากจะให้เราทำเราอย่าไปทํามันต่อไปมันจะไม่กล้ามารบกวนใจเรา แต่ถ้าเราทำตามความอยากมันยิ่งลามปามใหญ่ใช่ไหมในคือกว่าจะเอาศอกก็สิแล้วได้เท่าไหร่มันไม่พอใช่ไหมแล้วเวลาไม่ได้เสียใจไหมดังนั้นเราต้องฝืนความอยากกันแล้วฝืนมันได้ก็ต้องมีความสุขก่อนมีสมาธิก่อนมีความสุขใจก่อนเราจึงต้องมาฝึกสติกันเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะทาให้ใจเราสงบทาใจให้เรา มีความสุขนะเราต้องมาฝึกพุโทโธพุโทโธกันนะหลวงปู่มั่นนั่งสอนพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรคิดแล้วมันทุกข์คิดแล้วก็อยากเพราะไม่ได้ตังใจอ ย, อยากก็ทุกข์ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่อยากใครจะทําอะไรก็เฉยไม่เดือดร้อนอกก็หลงเป็นลูกมันไม่จะเป็นลูกเราเท่าไหร่ มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยเราเป็นมันเป็นเจ้าหนี้เรามันไปห่วงมันทำไมเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยต้องหาเงินมาใช้มันทักทาไหร่เนี่ยยังไปหลงว่ามันเป็นลูกเราอีกมันเคยให้อะไรเรามั่งอ่ะมันไปห่วงมันทำไมคนจะห่วงคนที่ให้เงินให้ทองเราสิห่วงพ่อห่วงแม่เราจะดีกว่าไอคนให้เงินให้ทองแล้วกลไม่ห่วงกลับไปห่วงไอเจ้าหนี้กลัวเขาจะไม่มามาไม่ไม่มาทวงหนี้เลย อาา่านั่นแห ล, ละมาว่ามันเป็นเจ้าหนี้แล้วมันตายได้ก็ดีแจะได้มันต้องใช้นี่มันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากกันเอเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแยากกันอยู่ก็เกิดแก่เจ็บตายแต่แยกกันไปอยู่วัดมันมีโอกาสทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องจับมาเกิดแก่เกิดเจ็บตายกันไม่มีวันสิ้นสุด คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยได้วางได้จากกันตอนเป็นเดียวกับจากกันตอนตายจากกันตอนเป็นยังเจอกันได้ไปบวชนี่เดี๋ยวยังเจอกันได้ถ้าจากกันตอนตายล้วไม่เจอกันอีกแล้วพ่อคะที่ที่เมื่อก่อนหนูเคยถามหลวงพ่อค่ะว่าเวลาหนูนั่งภาวนาอยู่แล้วมันจะมีเหมือนเป็นสัญญาบ้างอะไรบ้างเข้ามาคือตอนนี้มันลดลงไปแล้วพอ บุดโชบุดโชอยูถ้าเลิดก็มันจะเหมือนตกจากที่สูงมันก็จะมันจะตกไปเลยหลังจากบุดโชค่ะก็ดีก็ทําไปเรื่อยๆให้มันชํานาญเหมือนขับรถนี่ยหัดขับให้มันชํานาญต่อไปต้องการจะให้มันสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้แล้วให้มันสงบนอกจากเวลานั่งสมาธิด้วยถ้าเรานั่งบ่อยๆนั่งเยอะๆต่อไปใจมันจะสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมาอืมแล้วก็มีแบบแต่ว่าแต่ละครั้งมันจะ ต่างกันไปมันก็ไม่เป็นไ ร, ใ, ไนไรให้มันสงบมากสงบน้อยเหมือนกินข้าวบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยก็กินมันไปดีกว่าไม่กินเอ่าอย่างเช่นบางกี้นั่งอยู่แบบพอถ้าถ้าหนูฟังเทศอยู่หลวงพ่ออยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะจะอยู่แบบพอเวลามันมันก็จะเหมือนวูบตกจากที่สูง ท, งทันทีแล้วก็ทีนี้เสียงรอบๆตัวมันก็จะดับไปหมดยกเว้นเสียงหลวงพ่อดังขึ้นมาในหัืหอมากเลย อก็รู้ไปเฉยๆถ้าใจเราไม่วุ่นวายก็ใช้ได้ใจเราสงบใจมันไม่ีความสุขก็ใช้ได้ถ้าวุ่นวายก็ต้องใช้พุทโธหรือตั้งใจฟังฟังเสียงเทศถ้าอะไรมันรบกวนใจก็อย่าไปสนใจแล้วแล้วอย่างนี้มันมันจะมีสติพอที่จะวิปัสสนาได้หรือเปล่าครับก็เวลาเอาจากมาก็วิปัสสนาได้ตอนนี้ก็วิปัสสนาได้<ร>มองใครก็มองให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็เจ็บแล้ว เนตับตายไสพุงก็นี่ก็วิปัสสนาแล้วเห็นไหมเวลาเห็นคนเห็นข้างในบ้างก็บ่าหรือเห็นแต่ข้างนอกอโครงกระดูกเห็นไหมเนี่ยมีกันทุกคนเนี่ยเนี่ยถ้าเห็นโครงกระดูกก็แสดงว่าวิปัสสนาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่วิปัสสน า, าเห็นตอนที่นั่งสมาธิเหรอตับตาแล้วแบบเห็นเป็นโรงเห็นตอนนั้นก็ดีแต่ไม่พอต้องมาเห็นตอนที่มาเจอกันเนี่ยเพราะมันจะเกิด ตันหาตอนที่มาเจอกันพอเห็นแฟนเนี่ยเกิดความอยากเกิดความหวงแฟนขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเห็นเป็นโครงกระดูกก็ไม่หวงเลยนะใจวะการเห็นในสมาธิเป็นการฝึกเป็นการเริ่มต้นออกจากสมาธิแล้วต้องเอาสิ่งที่เราเห็นในสมาธิมาฝึกให้เห็นในขณะที่เราไม่ได้เข้าสมาธิอย่างตอนเนี้ยมองให้เห็นเห็นหรือเปล่าเห็นอาการสามสิบสองหรือเปล่าต้องนึกนึกกลวยบ่อยอันเดียวก็จะเห็นเอง วิปัสสนึกไปก่อนเราเดี๋ยวมันจะได้กลายเป็นวิปัสนาอ่า <c oughs> ตอนนี้มองว่ามันจะเป็นวิปัสสนึกก็ต้องนึกไปก่อนไงหนูก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีสติตอนนี้เป็นวิปัสสนึกถ้าเป็นวิปัสนามันก็ปลงได้ปล่อยได้ถ้ายังรักยังหวงอยู่ก็ยังเป็นวิปัสสนึกอยู่ก็ยังต้องนึกบ่อยๆแต่พอนึกปั๊บมันก็จะเลิกหวงแล้วพอเห็นเป็นโครงกระดูกก็ไม่หวงแต่พอเห็นเป็นแฟนปั๊บหวงเลยจำไหม อยู่ที่เราจะมองมองเป็นโครกระดูกหรือบอกว่าเป็นมองเป็นแฟนมองเป็นลูกหรือมองเป็นโครงกระดูกเนยถ้ามองลูกเราว่าเป็นโครงกระดูกเราก็ไม่หวงมันแล้วอ่ะใช่ไหมไม่หวงมันแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นโครงกระดูกเดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เท่าตายไปเอาไปทําอะไรก็เอาไปฝ่ายเอาไปเผาเผาไปก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแล้ววินร่างกายของใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างก็เป็นอย่างนี้กันทุกคน แต่เราไม่เห็นไปเห็นว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนกันมันก็เลยหวงหวงกันแสดงว่าไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนึกกันต้องมาหัดวิปัสสนึกกันก่อนต้องนึกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองเนี่ยเรียกวิปัสสนา มองร่างกายอย่าไปมองเห็นว่าเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานมองให้เห็นว่าเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอย่าท่องไว้ก่อนเนี่ยหัดท่องอาการ32เนี่ยเรามีของดีอยู่ในตัวเราแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเรามีอาการ32รู้เป่ะแต่ไม่รู้ว่ามีใช่ไหม เราไปท่องดูเนี่ยเงินท่องมีกี่บาทรู้หมดแต่ของในตัวเรามีสามสิบสองชิ้นนี่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเรามีตับมีไตมีลำไส้มีปอดมีหัวใจพระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาการสามสิบสองจะได้ไม่หลงจะจะได้ไม่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันเป็นแค่าอาการสามสิบสองมันตัวเราอยู่ที่หัวใจเลยไม่อ ย, อยู่ที่ตับไม่อ ย, อยู่ที่ลำไส้ ไม่มีหรอกเราไปคิดเองว่ามันเป็นตัวเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นลำไส้มันเป็นตับมันเป็นไตมันเป็นกระดูกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลามันตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ําลมไฟไปนี่แหละวิปัสสนึกไปก่อนนึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจําได้มันก็จะกลายเป็นวิปัสสนาถ้าจําไม่ได้ก็ยังเป็นวิปัสสนึกอยู่หลวงตาบอกยังเป็นสัญญาอยู่ ถ้ามันจำได้มันจะเป็นปัญญามันถ้ามันไม่ลืมมันก็จะเป็นปัญญาถ้ามันยังลืมยังมองว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่ก็ยังแสดงว่ามันยังหลงอยู่ยังลืมลืมวิปัสสนาไปลืมอาการสามสิบสองปยังต้องหมั่นคิดบ่อยๆเหมือนเราหัดท่องสูตรคูนี้หัดท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปเวลาเราจะใช้มันก็ใช้ได้ทันทีสองคูนสองเท่าไหร่เป็นสี่มันจาได้ อันนี้ก็เป็นการพอเห็นนั่งกายกันก็เห็นแล้วสาสิบสองเห็นคงกันอยู่ไม่ได้เห็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นพี่เป็นน้องอันนั้นก็รู้แต่อันนั้นไม่ไมสำคัญเท่ากับรู้ไอ้ตัวนี้รู้ไอ้ตัวนั้นทำให้เราหลงรู้ไอ้ตัวนี้ทำให้เราหายหลงเราต้องการแก้ความหลงเราก็ต้องมองมอ ง, มองด้วยวิปัสสนาอนนี้เรามองมองด้วยความหลง จิตเรามันชอบหลอกเราไงจิตมันชอบฉายภาพให้เราดูเพราะจิตเรายังฟุ้งอยู่ยังทํางานอยู่ไม่ต้องไปสนใจเห็นภาพแล้วก็สวดมนต์ไปก่อนสู้กับมันไปก่อนก็ได้ถ้าดูลมพุโทโธมันยังมาก็อย่าพุ่งดูลมสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตานั่งสมาธิไปแล้วก็สวดอีตีปิโสไปสวดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพอใจมันเบาลงสงบลงแล้วภาพต่างๆมันจะหายไป แล้วเราก็มาดูลมต่อหรือมาพุทโธต่อได้ไม่หมายใจมันคิดมากเไยเหมือนรถที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยเหยียบเบรคทีเดียวมันไม่หยุดหระต้องเหยียบหลายทีกว่าจะหยุดก็เึือกิโลนั่นฮะจิตเรามันกันกว่าจะสงบนี่บางทีชั่วโมงมันถึงจะสงบไม่ใช่พอนั่งพุทโธพุทโธปั๊บมันจะสงบที่ไหนมันไม่สงบหรอกมันยังมีอารมณ์ค้างๆอยู่ในใจมันยังทํางานอยู่ เราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆให้มันหายไปเพียงแต่เราจะไปเหยียบคันเร่งอย่าไปคิดหยุดความคิดด้วยการพุโทโธพุโทโธไปด้วยการสวดมนต์ไปแล้วเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆของเก่ามันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบถ้าอยากจะสงบง่ายๆบ่อยๆก็ต้องไม่ทำอะไรไปอยู่วัดอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเราทำงานเราต้องใช้ความคิด ขอใช้ความคิดเวลานั่งสมาธิมันก็หยุดมันยากทาให้มันสงบยากแต่ถ้าเราอยู่วัดไม่รู้ไม่มีงานทำมีแต่งานกวาดงานถูงานเช็ดอะไรทันเองทำเสร็จแล้วเราก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็สงบง่ายกว่าให้ทางบ้านเดี๋ยวทางบ้านรออยู่มีชาวต่างประเทศไหมไม่มีเลย่ะ คำถามจากคุณหมูค่ะถ้าปฏิบัติตอนเป็นไข้ขึ้นจะมีเวทนาทางกายชัดเจนควรบริกรรมในบทภาวนาหรือพิจารณาเวทนาหรือทําควบคู่กันครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านมาทีทททาทาเลยถนะ้าถ้าอะไรเนี่ยถ้าปฏิบัติตอนเป็นไข้ขึ้นจะมีเวทนาทางกายชัดเจนควรบริกรรมในบทภาวนาหรือพิจารณาเวทนา er หรือทําควบคู่กันครับอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่ง เราทําอย่างไหนได้ก็ทําอย่างนั้นไปก่อนวิธีง่ายก็คือบริกรรมไปก่อนใช้สติไม่ต้องคิดมากพุโทโธพุโทโธไปปล่อยความเจ็บมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธความอยากมันก็จะไม่ทํางานความทรมานใจก็จะไม่มีความทุกข์ใจก็จะไม่มีเหลือแต่ความเจ็บทางกายก็ไม่รุนแรงอยู่กับมันได้แต่ถ้าเรา พิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาว่าเวทนาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บถ้าไปอยากให้มันหายมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้มันหายปล่อยมันเจ็บไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราสอนใจแล้วใจหยุดความอยากให้เวทนาไม่ให้มันหายได้มันก็จะไม่ทุกข์ใจมันก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเจ็บ คำถามจากคุณไพโรธค่ะนั่งสมาธิบริกรรมยุบหน่อพองหนอ่อไปจนถึงระยะหนึ่งรู้สึกเหมือนจะงายหลังกับผมก็ดึงสติมาที่ยุบหน่อพองหน่อเหมือนเดิมอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ต่อเนื่องใช่ไหมค ะ, ะบางทีก็เผลอเผลอไปอยู่กับอย่างอื่นถ้าอยู่กับยุบหน่อพองหนอมันถึงจะเรียกว่ามีสติพอไปเรื่องอื่นปั๊บมันก็เผลอแล้วคำถามจากคุณวันสุขค่ะ เพื่อนหนูชอบเล่นการพนันเขาบอกว่าไม่ผิดศีลห้าแต่หนูมองว่าการพนันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและแม้จะไม่ผิดศีลหนูเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้วมันเป็นอบายมุกไงมันเป็นตัวทําลายทรัพยากรคือเงินทองของเราเขาเรียกว่าเขาว่าขโมยขึ้นบ้านมันยังเอาได้แต่บ้านไฟไม่บ้านมันก็ได้แต่ของกลับบ้านไปแต่ที่ดินยังอยู่ะ แต่เล่นการพนันนี้มันเอาไปหมดเลยเวลาเล่นแพ้แล้วก็อยากจะได้คืนมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก็ขายขายหมดแล้วยังยังไม่ได้คืนก็ต้องขายบ้านขายบ้านแล้วยังไม่ได้คืนก็ต้องขายที่ดินขายมันหมดไปทุกอย่างเพราะเวลามันแพ้แล้วมันอยากจะได้คืนเสียดายคำถามจากคุณดีนาค่ะถ้าพ่อแม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ หากเอาเครื่องช่วยหายใจออกก็จะเสียชีวิตหากเราตัดสิใจเอาเครื่องช่วยหายใจออกถือว่าเป็นการฆ่าพ่อแม่ไหมคะไม่หรอกเป็นการยุติการช่วยเหลือเท่านั้นเองปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาเขาอยู่ได้ก็อยู่เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปแต่ถ้าไปบีบคอเขาแม่เขาหายใจนี่ถึงจะเรียกว่าฆ่าของเขาพียงแต่เรายุติการให้การสนับสนุน ทางการหายใจให้เขาหายใจโดยธรรมชาติของเขาเองคำถามจากคุณธีรติค่ะการทำทานจะได้ผลของทานคือมีทรัพย์ในชาติต่อไปแต่คนจนมีทรัพย์น้อยกว่าคนรวยจึงทำทานได้น้อยกว่าอย่างนี้คนจนก็มีโอกาสที่จะมีทรัพย์ในชาติต่อไปน้อยกว่าคนรวยไหมครับ ก็ทําน้อยก็ได้น้อยแต่ชาติต่อไปมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทําไปเรื่อยๆทํามากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมากขึ้นไปแล้วก็คนจรก็ไม่แน่ใจว่าจะจนไปตลอดที่ไหนวันดีคนดีอาจจะถูกก็ตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้กลัวเวลาถูกแล้วลืมเรื่องทําทานไปทั้งหมดเลยอยากเงินไปซื้อบ้านซื้อขนมกันแล้วเลยมันก็มันก็ต้องจนต่อไปถ้าแต่ถ้าห่วงเรื่องทําทานเรื่องทําบุญ พอมีเงินก็อยากจะทําบุญเนี่ยต่อไปมันก็จะทําได้มากเองคนที่ก็อยากจะทําบุญเขาก็แทนที่จะเอาเงินไปซื้อรถเก๋งแล้วไปทําบุญรถเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้รถเก่าไปก่อนเอารถเงินที่จะไปซื้อรถใหม่เอาไปทําบุญแทนนถ้าก็ทํางี้เขาก็ทําได้มากเองไม่จะว่าจะจนหรือจรวยนอกจาได้ทําบุญมากหรือทําบุญน้อยบางคนมีเงินมากก็ไม่ทําก็มีทําน้อยกว่คนจนก็มี คนจนเนี่ยบางเขาใส่บาตรทุกวันเนี่ยคนรวยนี่บางทีอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งจะมาใส่กันสักครั้ ง, งทําบุญทุกวนันแต่ทําทีละน้อยกับคนรวยที่นานๆทำทีแต่ทำทีเยอะก็ได้อยู่ที่อยู่ที่ปริมาณมาาอยู่ที่ปริมาณอ่ทีปริมาณเงินที่เราเสียไปนั่นแหละของที่เราเสียไปเนี่เ ร, เ, นะนเราก็ไม่เท่ากับคนรว ถ้่าตัวต้องทำทีเป็นร้านแล้วเราทําทุกวันแต่ทำแล้วทีละสามสิบบาทก็ไม่เท่ากันไงก็มันเอาเงินไปฝากธนาคารมันจะเท่ากันที่ไหนอ่ะฝากร้านเนี่ยมันก็จะมีร้านกับบวกดอกเบี้ยใช่ไหมฝากแสนเนี่ยมันก็จะได้แสนเนึ่ยบวกดอกเบี้ยก็ได้เท่านั้นนะอันางนั้นถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆก็ต้องทำเยอะๆอย่างพระเวชสันดรเนี่ยมีอะไรก็ทําหมดเนี่ยพอกรรมมาเกิดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ก็หมดเหมือนกันอ๋อก็ท่านทำทามต่อไงท่านต้องการสิ่งที่ดีกว่าเหมือนกัแลกแกแลกของที่ดีกว่าเพราะท่านเห็นว่าสมบัติในสู้อริยทรัพย์ไม่ได้เกาของเงินทองสู้อริยทรัพย์ไม่ได้อะไรก็เลสละหมดเลยเพราะท่านไม่สละก็ไม่ได้ คือคือว่าบุญนี่มันคือสถาวัจิตที่ว่ามาปะทะกับอารมณ์เราตอนนั้นอันนั้นคือเรีว่าบุญนนะบุญคือความสุขใจความเย็นใจความอิ่มใจมเวลาทําแล้วใจเราเย็นใจเราสุขสมมุติเราโกรธมาทีานี้นเรามาทําบุญเราก็จะพลิกความโกรธมากลายเป็นความสุขใจได้เหมือนมันเป็นสิ่งปะทะที่ว่าซึ่งหน้าที่ว่าสมมุติว่าเราทําไปปุ๊บแล้วแบบเราเห็นอารมณ์หรือแววตายอย่างนี้ที่มาปะทะกับใจเราเน อันนี้เรียกเรกว่าบุญนครับหรือว่าเป็นอยู่ที่ความรู้สึกในใจเรานะี่แหละถ้าใจเราเย็นใจเราสุขมันก็เป็นบุญถ้าใจเราทุกข์ใจเราร้อนมันก็เป็นบาปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากอารมณ์นี้ไปยังไงครับไอ้บุญสิ่งที่เราทําที่ว่าเป็นกัพพาวะจิตที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไหมครับจะมีสิ่งใดต่อไปอีกไนหะถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรหม่มันก็จะมันก็จะอยู่ต่อไป แต่ถ้าเราไปทําอย่างอื่นตัวอย่างอื่นมันก็จะเข้ามากบไว้ตัวเก่าสมมติเราทำบุญอะไรหลือเราขับรถไปใครปาดหน้าเราแล้วก็ด่ามานนี้เราโกรธขึ้นมาไอ้บุญที่เราได้ก็ถูกไอ้บาปที่ตัวใหม่มากบดแล้วเดี๋ยวพอเราเสียใจสำนึกผิดก็ขอโทษขอโพยอ่ะมันก็มาตัวมากบใหม่มันก็กบกันไปเรื่อยๆแตบุญไอ้ของพวกนี้ที่เราทําไว้มันก็ฝังไว้ในใจเราอืม พอเราตายไปมันก็จะมารวมกันเป็นบัญชีบุญบัญชีบาปแล้วมันก็จะมาแย่งใจของเราให้ไปทางบุญหลือไปทางบาปอีกทีนึงมันไม่หมดเว้งแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะเราทําทั้งบุญทั้งบาปสลับกันไปแต่เหมือนสภาวะจิตที่อิียนั้นก็ยังไปได้แต่ก็ไปต่อทางจิตนะก็มันก็สะสมไว้ไงพอเวลาตายเนี่ยมันไอความอิ่มใจกับความร้อนใจมันจะมาแย่งใจไป อันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะไปทางนั้นถ้าใจร้อนความปุ้นวายใจมากกว่ามันก็จะดึงไปทางอบายถ้าความอิ่มใจสุขใจมันมากกว่ามันก็จะดึงไปทางสวรรค์นะเกี่ยวแล้วเกี่ยวปั๊มง้อชาดนี้ด้วยนะก็ง่อก็ทําบาปไงฉลาดก็ไม่ทําบาปทําแต่บุญถึงต้องมาศึกษาให้ฉลาดไงจะได้เลิกทําบาปจะได้ทําแต่บุญเขาหมายว่าเวลาจิตไปเกาะร่างใหมก็คือแบบวิธีคิดหรือว่าจิต จิตเดิมก็เหมือนเดิมคอยขึ้นเหมือนเดิมสันดานเดิมยังอยู่ถ้าสันดานไม่ดีก็ไปเกิดชาติหน้าก็ไปแก้ต่อถ้ายังแก้ไม่หมดก็แก้ไปเรื่อยๆดัดสันดานไปเรื่อยๆเปลี่ยนสันดานไปเรื่อยๆจนกว่าสันดานไม่ดีหมดไปจนกว่าความอยากสามตัวนี้หมดไปสามอย่างไอตัวนี้เป็นตัวสันดานเป็นต้นเหตุของสันดานไม่ดีคือกามตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ย เป็นตัวที่ก่อปัญหาต่างๆให้กับใจเรามันเปลี่ยนกระดองปูเทชวนนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนกระดองแต่ปูมันยังตัวเดิมอยู่ก็ก็คือว่าสิ่งสิ่งไอ้ตัวปูนี่ถ้าทําสิ่งใดไว้ก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนแค่กระดองข้างในก็ยังเหมือนเดิมเปอแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันทำอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจนกว่าที่ว่าจะฉลาดแล้วไม่ต้องการกระดองใหม่อย่างนี้เหรอเขาตัดสินใจ ไม่ต้องมาเกิดใหม่ต่อไปคือเป็นคือหลกัหลกๆแล้วทั้งหมดในโลกก็คือเป็นทภาวะจิตท้องในโลกมันดินน้าลมไฟแต่จิตมั น, มนหลงมันเห็นว่าดินน้าลมไฟเป็นสุขมันเรามาติดกับดินน้าลมไฟเนี่ยร่างกายเนี่ยมาจากดินน้าลมไฟข้าวของต่างๆ น, นี่ก็ทามาจากดินน้าลมไฟไได้ไอโฟนมาก็ดีใจเป็นความสุขกัน จากดินน้ำลมไฟก็ดินไม่ใช่แล้วโลหะก็คือดินธาตุดินก็คือโลหะไอโฟนมีอะไรมันก็มีแต่โลหะมีแต่พลาสติกแล้วแล้วจิตนี่มีลูกพี่ครับคือว่าเป็นผู้คุมกดเนี่ครับก็อวิชาัย<อ>ความหลงเนี่ยเป็นตัวสอนตัวสอนให้ทําอะไรต่างต่าง ล, ลูกพี่ของจิตก็คือความไม่รู้ความหลงเนยถ้าถ้าเกิดว่าเรารู้ก็คือว่ามันก็เหมือนไปไปกดเป็นลูกพี่ใหม่ เอาพระพุทธเจ้ามาเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกพี่ตอนนี้เราเอาความโง่มาเป็นลูกพี่ตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เลือกตั้งใหม่เปลี่ยนนายกใหม่เออเอาเอาเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นเป็นหัวหน้าอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหัวหน้าก็เหมือนเราเปลี่ยนเพชรยอดมงกุฎจากความไม่รู้มาเป็นนุราเจ้าแทนอ่านั่นแหละเป็นเนคนนําอะเป็นหัวหน้าเนี่อหัวหน้า เป็นคนขับรถก็ได้คนขับคนนี้เมาขับรถชนเลยแล้วจ้างมันเป็นไอ้คนที่มีสติคนที่รู้ทางไม่ใช่แห่โค้งตกเขาอยู่เรื่อยๆออันนี้แล้วไอ้คนที่ขับรถขับใจเราเนี่ยมันชอบพาเราไปแห่โค้งตกเขาตกเขวอยู่เลยไอ้พวกที่ไปติดคุกติดตารางก็พอไอ้คนขับคนนี้มันพาไปรู้เปลอที่ไปเกิดแนวบายก็ไอ้คนนี้แหละพาไป หรือแม้แต่มาเกิดในสวรรค์ลกล้คนนี้แต่อย่างน้อยคนนี้มันฉลาดกว่าไอ้คนที่ไปทางอวบายแต่มันก็ยังเวียนอยู่ในวงเวียนอยู่นั่นอะ่ะต้องรอให้แม่หลวพทุทธเจ้ามาสอนงจะไปไปสู่ทางที่ไม่ต้องไปตกโคต ก, ตกเหวตกพผาอะไรต่อไปเปลี่ยนคนขับใหม่อันนี้เรามาเปลี่ยนคนขับกันเปลี่ยนคนขับใจเราเอาธรรมะมาเป็นปัจจญาสังขาราเอาธรรมะมาเป็นตัวสั่งให้คิด มาสัมมาทิฏฐิก็คือธรรมะในความความคิดที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิอพอมีความเห็นชอบความคิดชอบก็จะตามมาต่อไปคำถามจากคุณสุวรรณนาค่ะเวลานั่งเฉยเฉยรู้สึกรู้สึกลมหายใจหายไปเฉยเฉยกำหนดพุดโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธก็หาย ในเวลาปกติทางานก็เกิดขึ้นเวลานั่งพักในจิตบอกว่าลมหายใจละเอียดมากๆรู้สึกเบาสบายมากๆเจ้าค่ะคำถามคือนี่คือผลของการที่เราภาวนาบ่อยๆตลอดทั้งวันใช่หรือไม่เจ้าคะใช่ใจจะเบาขึ้นสุขขึ้นแต่ยังไม่สง บ, บเต็มร้อยเวลาสง บ, บเต็มที่มันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็เนิ่งเฉยสบาย อันนั้นไม่ต้องทําอะไรลมก็หายไปไม่ต้องรับรู้ลมไม่รับรูเรื่องลมไม่รับรู้เรื่องพุทธโธไม่ต้องพุทธโธคําถามจากคุณพิมพ์ข้อที่หนึ่งค่ะเมื่อจะออกจากสมาธิควรละลึกหรือทําอย่างไรเจ้าคะก็แล้วแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วดีเราก็พิจารณาด้วยมันดียังไงเพราะใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมใจเราอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวใช่ไหม ก็จําไว้คราวหน้าแล้วนั่งก็ทําแบบเดิมเวลาคราวหน้าอย่าไปนั่งคิดถึงผลที่เราได้วันคราวที่แล้วนั่งดีสงบดีอยากใชใ้มันเป็นอย่างนั้นมานั่งแล้วใช้ความอยากมันจะไม่ได้ต้องใช้วิธีที่ทําให้มันสงบมันถึงจะได้ข้อที่สองค่ะจิตรวมมีอาการเป็นอย่างไรเจ้าคะบางคนก็ตกลุมตกบ่อวูบลงไปเหมือนตกลุมตกตกจากที่สูงลงมาแล้วก็นิ่งสงบ บางคนก็ตกแต่ไม่ตกมากตกเล็กๆน้อยๆอยวุบลงไปสั้นๆแต่มีสติรู้สึกตัวแล้วก็มีความเบา อ, อกเบาใจมีความสุขใจเกิดขึ้นบางทีร่างกายก็หายไปเลยรูปเสียงกลิ่นล้ก็หายไปบางทีรูปเสียงกลิ่นล้นยังอยู่แต่ใจไม่ลำคานได้ยินเสียงก็ไม่ลำคานร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ลาคาญปล่อยวางได้ให้มันอยู่เฉยให้ให้มัน ให้มันเจ็บไปได้ไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บข้อที่สามค่ะการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธเป็นแค่เพียงเกิดความรู้สึกสงบแต่ยังไม่ถึงขั้นได้ญาณจะมีอนิสงส์อย่างใดบ้างหรือไม่เจ้าคะคําว่าญาณก็คือปัญญาเรายังไม่ได้สอนใจให้เห็นว่าความอยากเป็นตัวที่มาทําลายความสุขที่เราได้รับจากความสงบเราต้องเราต้อง ใช้ประสบการณ์ช <Yeah. S 1> นเวลาเราออกจากความสงบมาถ้าเรายังไม่อยากใจเราก็ยังสงบอยู่ก็ยังมีความสุขอยู่แต่พออยากปั๊บใจเราจะเริ่มสั่นละเริ่มกระเพื่อมละ <Yeah. S 1> งั้นถ้าเรารู้ว่าตัวความอยากเป็นตัวที่ทําลายความสงบเราก็อย่าไปให้มันเกิดขึ้นมามันเกิดก็อย่าไปทําตามมันเฟื่อยมันพอเราเฟื่อมันเดียวมันหมดกําลังความสั่นของใจก็หายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมาอีก แต่ถ้าเราไปทําตามมันเวลาใจเราสันแล้วเราไปทําตามมันพอคิดว่าทําแล้วทําให้ใจเราหายสันมันก็หายแต่หายชั่วคราวพออยากสูบบุหรี่ก็สัน่นพอไม่ได้สูบก็สันพอได้สูบปั๊บก็หายสันแต่หายสันชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากขึ้นมาใหม่ล่ะ ว, วิธียาหยุดความอยากก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากถ้าไปทําตามความอยากความอยากมันจะไม่หมดมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆนี่คือวิญาณปัญญา เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเห็นว่าการดับความทุกข์ดับความอยากก็คือการไม่ทําตามความอยากคําคถามจากคุณพิมพ์ค่ะการได้มีโอกาสฟังธรรมได้กราบพระอริยะสงฆ์มีอนิสงส์มากเพียงใดเจ้าคะก็ได้ความสุขเนี่ยได้ความพ้นทุกข์เนี่ยคําถามจากคุณธนกิจค่ะ พระประถมพยาบาลโยมแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้ผิดศีลไหนครับก็ถ้าไปแตะต้องผู้หญิงก็ผิดเนี่ยจะเป็นแม่หรือเป็นใครก็ผิดถ้ามีใครคนอื่นทำให้ได้ก็ให้ก็ททำไปแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ศึกไปก่อนก็ได้แล้วก็มาบวชใหม่ก็ได้ถ้าไม่อยากจะผิดศีลพระจริงๆก็ไม่ทำหรอก คำถามจากคุณหนุ่มค่ะการที่เราถือศีลแปดในวันทํางานที่ตรงกับวันพัสแล้วเราต้องขึ้นรถเมย์ไปทํางานแต่รถเมย์เบียดเสียดทําให้เราต้องไปโดนตัวเพศตรงข้ามแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะผิดศีลข้ออมมาหมวจาริยาเวรามณีหรือไม่ครับอ๋อไม่หรอกผิดข้อสามต้องไปนอนกันไปร่วมหลับนอนกันเทียงแต่ว่าเขาไม่อยากให้แต่งเนาะต้องตัวกันเพราะเดี๋ยวมันทําให้เกิดอารมณ์ อล้เดี๋ยวมันก็จะต้องไปนอนกันดังนั้นการแตะเนื้อต้องตัวโดยที่ไม่มีเจตนามันก็ยังไม่ผิดแต่มันก็เสี่ยงเพราะเดี๋ยวไปแตะเนื้อต้องตัวกันมันอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้คําถามจากคุณโปเจก ค, ค่ะผมเป็นสามเณรนั่งสมาธิแล้วทํายังไงจะเกิดปัญญาครัะ อ, อ๋อปัญญาเป็นคนละเรื่องกับสมาธิสมาธิให้ต้องการให้มันสงบ เวลามันสงบไม่ต้องทําอะไรให้มันสงบนานๆเวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะได้ปัญญาก็ศึกษาศึกษาว่าทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปถ้าเราเห็นว่ามัน ม, มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่อยากได้เราก็จะตัดความอยากเพราะไม่มีความอยากใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ คำถามจากคุณฮาเหน่งค่ะการให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ซึ่งแสดงว่าการเดินจงกรมก็มีประโยชน์มากเพราะสติจะอยู่กับการเดินตลอดเวลาใช่ไหมครับอแต่อย่าคิดนะต้องให้รู้เฉยๆต้องการหยุดความคิดเดินจงกรมหรือทำอะไรก็ตามให้รู้กับงานที่เรากำลังทำอยู่แต่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น ให้รู้กับงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเดินก็ให้รู้ว่าเรากําลังเดินอยู่และถ้าความคิดมันเกิดขึ้นมาเราแต่เรารู้ว่าเรากําลังคิดแล้วก็คิดก็กลับมาดูที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปสนใจกับมันถ้าหยุดมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธช่วยก็ได้แล้วมันยังอยากจะกลับไปคิดอยู่ก็ใช้ให้บังคับงมันคิดอยู่กับพุโทโธแทนคําถามจาคุณหยก ค, ค่ะจิตกับอารมณ์ต่างกันอย่างไรคะ ก็เหมือนบ้านกับคนที่อยู่ในบ้านนะไม่ได้เป็นคนเดียวกันจิตก็เป็นเหมือนบ้านอารมณ์ก็คือคนที่มาอยู่ในบ้านอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนมาอยู่บ้านมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าๆออกออกเกิดดับเกิดดับอารมณ์ในจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็เป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตจิตก็เป็นเหมือนบ้านคำถามจากคุณนาลาค่ะ ดับโลภโกรธหลงกับดับกิเลสเหมือนกันไหมครับอ่าเหมือนกันโลภโกรธหลงก็คือกิเลสนะดับ<ำ>ตันตันหาก็เหมือนกันตันหากามาตันหาบาวาตันหาวิภาวะตันหาก็เหมือนกันพวกเดียวกันคำถามจากคุณปียาค่ะการบริกรรมพุทโธเวลานั่งสมาธินี่ภาวนาในใจใช่ไหมคะเราก็ต้องภาวนาในใจออกเสียงไม่ได้ ถ้าออกเสียงมันต้องใช้ร่างกายเราต้องการเลิกใช้ร่างกายเราต้องการดึงใจออกจากร่างกายเราก็ต้องอย่าไปใช้ร่างกายปล่อยให้นั่งให้ร่างกายนั่งเฉยๆแล้วก็บริกรรมพุโทโธไปภายในใจแล้วพุโทโธนี้จะดึงจะถอดปลั๊กเนี่วิดว์วิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่ตาหูจมูกเนื้อง่ายก็จะถูกถอดออกพอถอดออกจิตก็จะสงบไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปคำถามจากคุณกุ๊กไก่ค่ะ ในขณะที่เราเดินจงกรมควรกําหนดบริกรรมพุโทโธร่วมทั้งกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะ่ะเเวลาเดินนี้ไม่ควรจะใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจมันดูยากดูร่างกายดูเท้าดีกว่าง่ายกว่าดูเท้าก็ได้พุโทโธก็ไดเ้เอาอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือสองอย่างก็ได้แล้วแต่อันไหนจะเหมาะกับเราถ้าเราดูเท้าได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรก็ดูเท้าอย่างเดียว ถ้าดูเท้าเรายัางไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธไปกับเท้าก็ได้หรือท่องซ้ายขวาซ้ายขวาไปกับเท้าก็ได้คำถามจากคุณปุญญพัฒนค่ะกรณีมนุษย์ต้องเกิดในสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาต้องทําปัจจุบันอย่างไรให้สามารถระลึกได้ถึงการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้เจ้าค่ะก็ต้องทําให้มันไม่ลืมไงคนที่จะไม่ลืมก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ถ้ายังไม่ถึงเสวนาบานนี่มันลืมเพราะมันยังไม่เป็นปัญญามันเป็นความจําอยู่แต่ถ้าคนที่ทําจนเห็นเห็นเห็นคุณเห็นโทษของการทําบุญทําบาปมันก็จะจําได้ไม่ลืมแต่คนที่ยังไม่เห็นคุณเห็นโทษมันก็จะลืมคําถามจากคุณเปิ้ลค่ะขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นรู้สึกว่าร่างกายร้อนมากสักพักมีเหนือไหลออกมา ร่างกายเย็นลงจิตมันบอกว่าอา น, นิจจังเกิดขึ้นแปรปวนดับไปเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟจากคำที่เห็นในขณะนั้นรู้สึกว่าสิ่งไหนคือตัวเราของเราไม่มีเลยอย่างนี้ใช่ภาวนามยะปัญญาไหมคะหรือเป็นเพียงสัญญาที่เราจามาจากครูอาจารย์ค่ะก็ต้องดูเวลาที่ร่างกายมันตายเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้ายังไปหวงไปหวงไปยังไปทุกข์กับมันอยู่ก็ยัง ไม่ใช่เป็นวิปัสนาถ้าไม่ทุกข์กับมันเวลาร่างกายจิตเวลาร่างกายตายเราเฉยเฉยก็จะเป็นวิปัสนาเป็นภาวนาไมยปัญญาเอาแล้วนะคิดว่าคำถามพอสมควรนะวันนี้ก็พอมีมีเยอะพอสมควรเอาไว้พรุ่งนี้ต่อก็แล้วกันก็ขออภัยนะท่านที่ยังไม่ได้ตอบไว้ค่อยกลับมาพรุ่งนี้